ากากา บ, บูชา <c oughs> พระรัตนตรยัย <c oughs> กาบนวัต ก, การสงคพ่อคำเขียน <c oughs> แล้วก็ขอากราบคารวะ <c oughs> พระเทรานุเทระทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่าน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 พยายามที่จะนำเอาคาสอนคาพูดนะของหลวงพ่อคำเขียนนะมาใช้เลยเพราะยังยิ่งในเรื่องของการที่เราไม่โทษตัวเราเองบางทีเราหลงลืมไปก็ช่างมันเราเริ่มต้นใหม่สติความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆเมื่อเราเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยก็มีกาลังใจไม่งั้นเราจะรู้สึกท้อแท้ใจในการที่เราจ ะ, ะประพฤติปฏิบัต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 ไปใช้ในชีวิตในโลกได้ซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกข์ยังมีความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราคิดว่าเรารู้แล้วซึ่งสิ่งนี้ก็เอทําให้ตัวเองได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันรู้ก็จริงแต่รู้นิดๆหน่อยๆแต่เราไปหลงว่าเรารู้มากเาหลังจากได้มาบวชแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ฟัง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 แม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่ก็ได้ตั้งใจแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยเพื่อเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้ถึงที่สุดเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก็ขออนุโมทนาในทุกท่านที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตอย่างนี้แล้วก็หวังว่าความพากเพียรพยายามของทุกท่านจะได้ประสบพบกับที่สุด แห่งทุ ก, ด, กด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน